ทั่วไปมักจะรู้จักในนามของบรมพุทโธซึ่งเป็นคำแปลซึ่งคาดเคลื่อนหนึ่งครับแต่ว่าเนื่องจากมันลงลิ้นลงเสียงพอดีก็เลยก็เรียกกันอย่างนั้นไปก็นแล้วพระบรด ม, มีปมปริศนาที่สลับกับซ้อนมากครับอยู่เบื้องหลังนั่นคือทั้งลูกทรงอ่าท ทั้งรูปทรงทั้งชื่อนะครับทั้งการปรากฏขึ้นในโลกภพนี้รวมทั้งการล่มสลายและจากไปเป็นราวถึงพันปีเศษซึ่งมาฟื้นขึ้นมาร้อยปีที่แล้วครับออสร้างปริศณาให้กับนักวิชาการนักคิดนักบราัคดีรวมทั้งศาสสนิกไม่เพียงแต่ชาวพุทธเท่านั้นปัจจุบันนี้เนี่ยนะ มีประชาชนทั่วทุกสารทิศของโลกเดินทางไปเพื่อจะชื่นชมกับภาพสัมผัสสิ่งหน้ามหัศจรรย์นี้บริโภโดยได้ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในเดอบลวอลเดอร์นะสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในลำดับยุคสมัยใหม่เช่นเดียวกับนครวัดแต่็ที่จริงก็คือบริโดนั้นถูกสร้างก่อนอนครวัดประมาณสามร้อยปี เรื่องราวเบื้องหลังเราคงต้องศึกษาก็ไม่รู้จักจบสิ้นร้อยปีหลังจากการฟื้ฟนฟูบูราณ น, นั้นนะครับคราบถึงวันนี้นะัเวลานี้นักวิชาการยังทกกันไม่รู้จักจบสิ้นครับว่าบรุ บ, โโบโูรณ์มีรากศัพท์มาจากอะไรชื่อจริงๆที่เป็นทางการของ มหาสตูปอันยิ่งใหญ่นี้นะครับชื่ออะไรกันแน่เพราะว่าชื่อจะเป็นกุญแจไขว่าหน้าที่ใช้สอยหือใช้ทํำอะไรมันเป็นสถูปหรือว่าเป็นเจดีย์หรือว่าเป็นปราสาทนะปราสาทผมไม่ได้หมายถึงปร า, า, ร า, า, านนปรสาทราชสานเลยปราสาทเทวะใหมายถึงเรือนยอดครับซึ่งในพระไตรปิกนั้นเล่าไว้ว่านางวิสาขาได้สร้างปราสาทถวายสภิกขุสงปราสาทคือเรือนที่มีหลายชั้น แล้วเป็นที่ที่พระสงฆ์รวมตัวกนันอยู่ที่นั่นพักผ่อนกันอยู่ที่นั่นเรียกปราสาทโศานี่เรี ย, ราารราายนยอดเขาปราสาทนี้คือสับเดียว์คำปราสาทะเรื่มใสผมไม่ใช่นักบราณคดีโดยอาชีพแล้ข้อไปสัมผัสบราวัโถมาด้วยความรู้สึกของผู้ไม่มี ความรู้ล่วงหน้านี่ผมหมายถึงเมื่อสิบห้าปีที่แล้วนะฮะผมไปมาสองผลสี่ครั้งอาจจะฟังดูแปลกครับสองผลนึงคือการไปอินโดนีเซียสี่ครั้งคือเมื่อจะบินออกนอกประเทศเกิดคิดถึงเราเราย้อนไว้ใหม่กลายเป็นสี่ครั้งขึ้นมาภาพที่ปรากฏนั้นงดงามสะการตามากวันนี้ผมจะบรรยายในแง่สุนสี่ภาพ ในแง่ของความงามซึ่งแท้ที่จริงแล้วเนี่ยความงามมันไม่ใช่สิ่งที่เห็นด้วยตาเนื้อเป็นความประจักษ์ความรู้สึกที่เหมือนกับที่เด็กๆ เ, เห็นมารดาของตัวเป็นเทพธิดาซึ่งโดยความเป็นจริงนั้นแม่เขาอาจจะไม่สวยหน้าตาของผู้เป็นมารดานั้นแต่ความรู้สึกด้านในที่เด็กรู้สึกเพราะจะรู้สึกกับแม่เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุด ก็สัมผัสอ่อนโยนที่สุดมันไม่ใช่เท่าสีตาเนื้อเห็นเท่านั้นครับน้ำเสียงเนตนารมอ้อมกอดอะไรทั้งหมดนี้ครับทำให้เด็กรู้สึกรู้สึกถึงความงามที่ที่บริสุทธิ์ของแม่ได้แต่ถ้าในวัยช่วงเขาปรรถนาสิ่งนี้เขาไม่ได้เขาจะหยหาไปช่วยชีวิตแม้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตามครับเหมือนคำกวีที่ว่า พลาดรักแล้วโหยหาช่วยชีวิตต้อนนั้นแหะไม่ว่ารักต่อมารดาหรือความรักที่บริสุทธิ์ระหว่างหญิงชายครูกับศิษย์หรือมิตรต่อมิตรก็ตาม เ, เออผมเองก็คงเล่าแบบที่เรียก่อักตวิสัยคือความรู้สึกส่วนตัวก็จับเท่านั้นเองครับเพราะนั้นขอ้อผิดพลาดอาจจะมากหรืออาจจะย่อหย่อนไปก็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 แต่ท้ายสุดของการบรรยายนี้จะมีภาพสไลดครับภาพใสให้ท่านดูเพื่อให้เป็นเขาว่าน่าจะมีสุขนหนึ่งในชีวิตถ้าเป็นไปไดท้ที่ควรจะเดินทางไปเยี่ยชมเพื่อให้เป็นบุญตานะชาวมุสลิมจะมีเมกกะเป็นที่หมายนี้ิยติว่าครั้งสักครั้งหนึ่งในชีวิตควรจะไปเมกกะท่าพุทธนั้นที่จริงไม่ใช่ที่บริโภคโซนะฮะที่จริงคือพุทธกยา ทางที่จรัสรู้อนุตตรธรมาหรุโบทยาณของพระเจ้าแต่ไปที่นั่นเราก็จะไม่เห็นอะไรนะครับนอกจากต้นโพแล้วก็ภาพแวดล้อมซึ่งเปลี่ยนไปแล้วแต่ที่บโรวโดนั้นเป็นที่ที่กวีศิลปินนพลาชาครั้งพันกวีนั้ น, น, นได้เสกสร้างสิงงามบริสุทธิ์ขึ้น ตัวมเมาองเมื่อไปที่นั่นแล้วรู้สึกเหมือนได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์แน่นอนนะครับขาะจะคิดว่านี่เพรบ้าคลั่งน่ะสิช่วยไม่ได้จริงๆเขาช่วยไม่ได้ที่หักข้ามความรู้สึกนั้นเหมือนเราเห็นดอกไม้หรือเราไปริมทะเลแล้วรู้สึกโล่งอกโล่งใจเนะี่ยเราจะไปหักข้ามมันทําอะไร <laughs> ในเมื่อเมื่อเรามีความรู้สึกเช่นนั้นได้ความรู้สึกนั้นคลี่คลายแล้วก่อเกิดปิติสุข เราไม่จำเป็นต้องหัหขามมีพุทธภาสิตที่จะยกขึ้นมาแค่ตัวนี้สำทับก็สุดแท้นะครับไม่ควรปฏิเสธสุขที่เป็นกุศลเช่นศรัทธาหรือแม้แต่ว่าเราเลื่อมใสบุคคลจนลองให้เพื่อเขาจากไปซึ่งดูไปแล้วถ้าคนที่ยึดถือการปฏิบัติแบบหุวชนกําแพงก็บอกว่าไม่ได้เป็นเรื่องเสียข้อที่จริงมันมีอยู่ว่า ความปรารถนาในส่วนลึกของมนุษย์ก็คือเราอยากจะรักในสิ่งที่เป็นที่สุดที่รักนะฮะผูเ้เจ้าใครๆก็อยากพบผมเชื่อถ้าตอนนี้ท่านยังมีประชานอยู่นี่พวกเราหลายคนต้องดันจนไปจนได้ถูกไหมะทั้งทั้งยิ่รับรู้ไม่จะเป็นตรู้ไปทั้งทั้เรารู้ว่าพุทธะคือแก่นใจของเรานั่นเองแต่ว่าความปรารถนาส่วนหนึ่งเราอยากจะอยู่ในสินฐานที่เรารัก ในประเทศในชุมชนที่เรารู้สึกเป็นสุขเราอยากอยู่ใกล้คนที่เรารักและเขารักเรานี่เป็นความต้องการพื้นพื้นอนั่นเองครับส่วนการที่อยู่ใกล้บุคคลที่เรารักเราเที้ยถูนแล้วเรายึดติดหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งครับมันเกี่กับปัญญาครับความยึดติดเราให้อยู่ใกลมันก็ติดได้ครับนะและมีข้อที่จริงอีกหนึ่งว่าบุคคลติดยึดอะไรอยู่มักกจะพร่ำเพ้อถึงสิ่งนั้น ตัวอย่างก็เห็นได้แล้วผมตัแต่กลับกไม่ได้พูดเรื่องอะไรเลยนอกจากบรมโธครับบรมบูรุษมันจะเรียกว่า<ม>เราได้เห็นสิ่งที่วิจิตรอลังการครับสิ่งที่งดงามที่กวีและศิลปินนี่ได้เสกสร้าง<ม>เพื่อเป็นมิตรติดตาตรึงใจเราอยู่ <c oughs> ส่วนเราจะหมุนสมาธิ<ม>หรือพลังอันนี้ไป ทางไหนนั้นขึ้นกับเราครับขึ้นกับเราเองเหมือนใครสักคนพูดว่ารถยนต์เนี่ยทาให้อากาศเป็นพิษเราไปโทษรถยนต์แล้วก็เราไม่ควรใช้รถยนต์เลยหรือว่ารถยนต์เป็นเรื่องของความมั่งค้ามั่งมีไปผมว่ามันไม่ได่ขึ้นกับรถยนต์มันขึ้นกับผู้ช้อย่างนั้นความรับผิดชอบต่อธรรมะปฏิบัติในส่วนสุดในส่วนโล ก, กุตรธรรมนั้นประสานได้กับเรื่องโลกๆครับ เท่นี้เหมือนคำตอบที่ว่าเราก็ยังเป็นเราผู้มีอาชีพทำการทำงานเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยาสามีไแต่พร้อมกันนั้นเราปฏิบัติทาชั้นสูงได้ความเชื่อนี้ถนักนั่นหรือมากพอหรือไม่นั้นถ้าเราได้สัมผสัสบรมดัวนะเราจะพบอะไรที่กว้างใหญ่ไพศาลมากครับตามที่เรารู้นั้นก็คือพุทธวัตรฝ่ายเทรวาต มีอย่างไรพวกเราส่วนใหญ่ก็รู้และทราบซิ่งไปดีนี้แต่เมื่อเราได้สัมผัสอีกซีกหนึ่งของพุทธศาสนาซึ่งมีลักษมีที่กว้างไกลพุทธวัตรฝ่ายมหายานนั้นเขียนไว้ไม่เหมือนกับฝ่ายใจว่าข้อมหายานเวื่อการปฏิบัติธรรมะส่วนตัวนั้นเป็นเรื่องแคบแล้วก็เรียกด้วยความเหเอียดยามะิณญาณยา น, ยาน ตาตำซ้ำๆเขาว่าอย่างนั้นเพราะว่าทุกเรื่องแม้จะเขียนประวัติพระเจ้าออกบวชก็เพื่อตัวท่านเองนั่งจัดสรุปก็เพื่อตัวเองคิดถึงตัวเองตลอดเวลาแต่ว่ามหาญาณได้เขียนพุทธวัตรไว้อย่างกว้างใหญ่แม้จะเขียนว่าขณะที่เจ้าชายอยู่ในพระคันของมาลาเทวีก็รัดสอนธรรมะให้พระมารดาด้วย อย่าเถียงผมนะ ว, ว่ามันจะจริงได้ยังไงเด็กพูดได้อยู่ในคันไอ้ น, นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับวิธีเขียนคือเขาเขียนให้เป็นลิเทเอร์ให้เป็นวรรณกรรมเพราะถ้าไม่เขียนอย่างนี้ถ้าเขียนตามเป็นจริงในชีวิตจริงจะมีอะไรครับเราเขียนพระเจ้าตื่นพระบัญฑรไปวินบิบ اد กลับมาฉันหาแล้วเข้า z ่ว m พวกก็มีเท่านี้ก็จะเขียนตรงจริงจริงนลยแต่แล้วพุทวัติที่เขาเขียนนั้นก็ต้องการให้ผู้อ่านได้ทราบถึง ได้กอ่อเกิดรสชาติเกิดปิติสุขสักคมภีร์ส่วนใหญ่ในโลกเป็นอ่งนั้นครับแต่ถ้าคนแก่เหตุผลกันไปอ่านมักหน้าคว่างทิ้งกันดีในสึกไม่สําเร็จประโยชน์ไม่เกิดศรัทธาเพราะว่าติดเหตุผลนี่คือข้อทีจริงที่ว่าทําไมเรื่องที่สําคัญมากนั้นเขาต้องทํำให้มีพินิหารจะได้รังเกตยจสิ่งองนั้นนะฮะเพราะว่าสาระสําคัญมันมันไม่ได้อยู่ในเรื่องในรประวัติของพระเจ้า แต่มันอยู่ตรงความรู้สึกที่แผ่ขยายของผู้อา่านความรู้สึกที่ซาบซึ้งซาบซึ้งและเป็นเหตุดนดานใจให้ปฏิบัติธรรมะนั่นสำคัญที่สุดนะครับดันั้นชาดกทั้งหลายเรื่องครับที่ถูกเสรสร้างขึ้นเพื่อเา้าศรัทธาให้มีอุดมการในการปฏิบัติโรกุตตะธรรมที่บรบวา น, น, นั้นมีภาพสลักหินนะครับ ประมาดกประมาณห้าร้อยเรื่องผมพูดเกินบางทีหลายคนได้ดูแล้วในภาพยนตร์สาคดีเนี้ยแต่มันไม่เหมือนได้ไปเห็นด้วยตาตได้สัมผัสโดยตรงผมจะเล่าย้อนอารามณสึกส่วนตัวบ้างนะครับะว่าถ้าได้พลนางจริงมันลำดับไม่ถูกครับลำดับไม่ถูกครั้งแรกที่ผมไปเมื่อสิบห้าปีนั้นพอ ได้เห็นนี่ผมเข่าอ่อนเลยที่เข่าอ่อนไม่ใช่เหนื่อยหรือหมดแรงใช่ไเพราะว่ารู้สึกท้อแท้มากกับท้อไปทั้งชีวิตเมื่อได้สัมผัสพลังศรัทธาที่คนโบราณซึ่งเป็นบนรรพบุรุษชาวพุทธชาวา่าได้แสดงออกที่บริบรูรและมันนึกน้อยใจตัวเองใช่ไหมเราเล่นเกินไปเราศรัทธาน้อยเกินไปเมื่อเราได้เห็นการแสดงออกซึ่งลึกซึ้งและกว้างใหญ่ไพานครับ เรียกว่าเขาอ่อนมันก็นั่งลงกับพื้นเลยครับไปต่อไม่ได้เอ่อเพราะว่าตลอดเวลาที่เราใส่ใจในธรรมะนี่นะฮะเราใส่ใจเล่นๆสนุกๆตามแฟชั่นหรือตามพ่อแม่หรือตามอะไรสุดแพ้เ น, น้แล้วเรายังไม่เคยเห็นผู้ที่มีศรัทธาจริงๆซึ่งเขาทุ่มเทแล้วแสดงออกอย่างกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวนะฮะบรมโทนัน้นเป็นเครื่องหมายของศรัทธาอันล้นเหลือ ที่ชาวพุทธคลังอดีตมีต่อพระพุทธศาสนามีต่อพระพุทธเจ้ามีต่อพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตดังนั้นสัตหางเขาเนี่ยเตรียมท้นรวบรวมจากอดีตปัจจุบันและอนาคตเขาศรัทธาแม้แต่พระสีอาริยมเมตตาซึ่งพ่อแม่เหล่านี้อาจิะเคยพูดให้เราได้ยิน เราอาจจะคิดว่าจะไปคิดมากทำไมเรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นเรามักจะ น, นำไอ้ธรรมะคาสอนมาเพื่อย่อยสลายใ ห, ให้เราไม่ต้องทำอะไรเลยเช่นมีชีวิตปัจจุบันไม่ต้องคิดถึงอนาคตไม่ต้องอะไรเลยดีในสุดเราก็กล่าวรูดครับแท้ที่จริงในเบื้องลึกนั้นนะฮะสภศาสนาหรือคาสอนของศาสนาใดในโลกนี้นี่จะมีสองลักษณะคือลักษณะที่รู้กันในวงกว้าง หังเกิคือเอสโซเทลิกรู้กันในวงกว้างซึ่งมันจะเป็นต้องลึกแล้วศาสนาที่รู้กันในวงจำกัดซึ่งลุ่มลึก mm hmm. เนี่ยเอโซเทลิกขอโทษนะฮะเอสโซเทลิกรู้กันในวงจำกัดรู้กันในวงแคบแต่ว่าลุ่มลึกยกตัวอย่างนะคำสอนของพระเจ้ามีอะไรบ้างก็ไม่ทำบาปทำกุศลชำระใจบริสุทธิ์ หรือทําดีได้ดีทําชั่วยได้ชั่วถ้าวพุททั่วไปก็รู้กันในวงกว้างอย่างนี้ครับแล้วก็แต่การรู้ในวงกว้างนั้นก็มีผลดีตรงที่ง่ายต่อการเผยแพร่หรือในแง่งการเมืองเช่นคําประชารถตายคนทั่วไปก็รู้กันในวงกว้างว่าคืออันนั้นอันนั้ น, น, นแต่แล้วเวลาปฏิบัติจริ ง, รงกลับไม่ไม่สอดคล้องกับความรู้อันนั้นได้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 ตรงย้อนทบทวนว่าพาอมีหลายคนมาตัดคอว่าทำไมไม่พูดธรรมปฏิบัติผมอยากทีให้การพบปะนี้เป็นการพบปะได้หลายหลายมุมนะเพราะว่าศาสนธรรมนั้นมันไม่ได้มีแต่เรื่องปฏิบัติอย่างเดียวนะครับมันยังมีหลายเรื่องมากที่เช่นเรื่องศิล ป, ปะวั ต, ตถธรรมเรื่องจริยธรรมถ้าเรามุ่งแต่จะปฏิบัติรูปเดียวเน่ยไม่ต้องฟังเลยครับฟังครั้งเดียวก็พอแลยครับ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 ได้กลายเป็นแสงสว่างเป็นแสงประทีปส่องเข้ามาในหัวใจของคนเป็นจำนวนมากในอดีตแล้วเขาก็มีความอรลาวรเ อ, อืเอาอาอ้ออารทอดกคนรุ่นทับๆไปดังนั้นสทานมากมายความเข้าใจลึกซึ้งในนั้นนะครับที่เกิดอุตสาหะที่แกะสลักหินลงมาจำนวนถึงสองล้านกว่าก้อนแล้วก็ใช้ฝีมือช่างอันวิจิตบรรจง จังเป็นปมปริศนาจนทุกวันนี้นะครับว่าเขาจัดบริหารบุคคลได้อย่างไรกรวีที่เรารู้จั ก, ก น, นะฮะคือพี่ท่า น, างานังคารกัลยาณมหงษ์ได้แสดงความไม่เชื่อว่ามนุษย์สร้างที่จริงคืมนุษย์นะแต่ว่าเป็นโมหารเป็นยีธีพูดของกวีนะท่านบอกว่าผมไม่เชื่อมนุษย์จะสร้างได้ต้องเป็นเทพพญดาเท่านั้นครับเพราะอะไรเหรอครับเพราะว่าชิ่นนี้นั้นล้ำเลิศเหลือเกินครับแล้วที่อัศจรร์ ในแง่สีมือก็คือเหมือนกับคนคนเดียวทำซึ่งมันเป็นไปได้อย่างไรครับมีลูกสลักขนาดย่อมๆนี่นผมก็ไต้เป็นหมื่นๆลูกเ่ยเสืทรงดูไปแล้วหน้าหน้าทึ่งหน้าตระการตามากครับประกอบไปด้วยสถูโองค์เล็ ก, กน้อยรวมแล้วถึงหนึ่งถึงห้าพันเจ็ดสิบสององค์ที่ดูเนี่เรื่องราวเป็นึ่งนี้ครับอ่า เม่สมัยที่เซอร์รัฟเฟลข้าหลุงใหญ่ของอังกฤษที่มาปกครองประเทศที่ตอนนี้เรียกมาเเลเซียนะฮะได้ยินชาวพื้นเมืองพูดกันถึงทินที่ลี้ลับที่สุดในใจกลางเกาะชวาแล้วไม่มีใครกล้าเข้าไปที่นั่นเพราะมีพูดผีปีศาจ แล้วมีเรื่องเล่าลือกันว่าใครที่ไปนั่นต้องตายทุกคนพระเทวกบฏดครั้งหนึ่งเนี่ยต่ออ่อาลาชวงมาตรามเนี่ยสุลต่านอย่างมาตรามเนี่ยกบิดก็ใช้สีฐานที่นั้นหนีเอาชีวิตรอดเพราะไม่มีใครกล้าเข้าไปถ้าเขาอยู่เขาต้องตายเนั้นเงียงแต่พอเ ข, ข้าไปแล้วก็ออกเขากเกิดตายอย่างจริงด้วยครับดังนั้นก็ยอมข่าวลือให้แพร่สพัพพะอีกเจ้า mm hmm. ช, ชายขุมเมืองหลวงเก่านะครับคือเมืองยอคยาตาเสด็จไป เขีย و, กลับมาก็ตายผมก็จะน่าจะตายเพราะมาเรเรียซึ่งมหักกว่านะแต่ไงก็ตามนะครับครั้งอดีมันรุ่งโรดของชาวพุทชาวนันมันเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ปรากฏการณ์มันก่อชวานั้นมันสิงน่าทึ่งยิ่งครับก็คือชาวชวาจะมีแม้โดยส่วนรวมจะเป็นมุสลิมนะครับแต่จะมีน้ำใสใจจริงกับเพื่อนมนุษย์น้มาก เขาไม่ได้หมายึงว่าชาวมุสลิมทั่วไปไม่มีนะแต่ที่นั่นจะเป็นพิเศษมากนจนนังวิชาการให้ชื่อเฉพาะว่ายาวานิสฮิวแมนนิตี้มนุษย์จะทเยี่ยงชาวสว่านะเราะพว่าเขาซอบอ่อนโยนมากเขาเป็นมุสลิมนะ้นเด่วนี้นะผมต้องเที่ยวอยู่ที่นั่นหลายครั้งเกิดความรู้สึกอาจจะเข้าข้างตัวหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับผมรู้สึกทั้งหมดนี้เป็นผล ของชาวพุทธนาที่ซ่อนอยู่ในสำนึกของชาวชาวาแม้ปัจจุบันนี้เขาจะเป็นมุสลิมคือจริงแต่ช่วงท่าภายใต้สำมนมึงเขาก็คือชาวพุทธนั่นเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมครับที่เราพบมนุษย์จะทำเยี่ยงชาวชววาที่หนึ่งทั้งๆที่ก่อนไปนั้นเพื่อนฝูงหลายคนห้าววาจะไปนะเป็นแดนมุสลิมอันตรายก็ว่าอย่างนั้นเผมเชื่อครึ่งไเชื่อครึ่งแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่เชื่อโดยเด็ดขาด อาจจะมีความจริงบ้างที่สมาต ร, ราและเกาะอื่นแต่สําหรับชวาแล้วเป็นเรื่องแปลกครับปาฏิหาริย์ของบรอบบโดได้แผลงฤทธิ์ที่นั่นครับจงกระทั่งว่าชาวมุสลิมซึ่งไม่ค่อยยอมรับศาสนาอื่นสักเท่าไหร่เล ย, เลยนะได้พูดกันเป็นเสียงเดียวว่าบรอบบโดคือโบสถ์ของเราซึ่งไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยเขาเรียกว่าบรอบบโด our temple temple of indonesia เพราะว่าอย่างนั้นนะฮะ แต่ทุก ว, วันนี้นะบประชาชนจะไปเที่ยววันละประมาณหนึ่งหมื่นเพื่อไปชื่นชมบรโทอร์นั้นแ0ดสิบเปอร์เซ็นต์ยังทมเสรนี่เรื่องเรื่องตลาดมากครับเวลาตีห hmm. ้านี่ผู้คนไปเป็นหมื่นแล้วครับ mm hmm. เราจะไม่มีโอกาสเลยที่จะสงบดื่มดำในบรรยากาศนั้นเว้นไว้แต่ไปพักในบ้านพักของรัฐบาล mm hmm. เพราะว่ารัฐบาลจะอนุญาตให้ผู้ที่ต้องการภาวนานั้นขึ้นไปบนมหาสถูในตอนกลางคืนได้นะ วันวิสาขานั้นเป็นวันพิเศษมากครับจะมีการรวมชาวพุทธจากหลายแหลง่งร ว, วมนักชาตมุสลิมด้วยและเพื่อนของชาวพุทธที่เป็นศาสนกอื่นด้วยครับวันนี้จะรวมตัวกับว่ากิจกรรมนี่ในวันวิสาขะ<ม>เป็นกิจกรรมของอนุษสชาชาติไปแล้วครับมีเรื่องปลีดย่อยมากมายเท่าที่ผมนึกได้ก็พูดเปกต์กว่านะไม่มีลําดับอะไรมากมายนะครับ บรรพบุพรุษของชาวชาวานั้นว่ากันว่าเป็นชาวจีนพ้นทะเลดนะังนั้นถ้าเราไปที่ชาวาเราจะพบว่ามีการผสมผสานทั้งชาติพันธุ์และศาสนาขนบประเพณีก็จะเห็นนี้แล้วก็มั่งครับที่ทําให้สัดส่วนการผสมนั่นออกมานิ่มนวลดีเป็นข้อน่าสังเกตว่าใครก็ใดคนหนึ่งที่นับถือทุกศาสนาเขาเขาจะไม่วางระยะกับทุกๆุกศาสนาถูกไหมฮะ ผมเรื่อมไสทังพระเยซูทั้ ง, น, ง น, นาบีมุ hammad ทั้งผู้เจ้าเนี่ยผมเขาคุยกับใครก็ได้ความอ่อนน้อมอ่อนโยนของชาวชาววานี้ส่งผลด้านหนึ่งคือเจ้าหน้าที่ไม่สู้แบ่งแยกจากราษฎรครับซึ่งในบ้านเราป้อมปราการสุดท้ายของพุทธศาสนาไม่เป็นอย่างนั้นเลยครับ เ, เจ้าหน้าที่มักจะวางตัวเหนือประชาชนเสมอแล้วเป็นปัญหาเรื้อรังมาตลอดเอาละครับ เรามาสู่เรื่องราวของเซอร์ล็อบเฟลนะครับชื่อล็อบเฟลเซียเราคงได้ยินเป็นชื่อดอกไม้ที่ใหญ่สุดในโลกเพรากันนผมไม่เคยเห็นนะครับกว่ากันว่าลักษณอเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างประมาณหนึ่งวาดอกไม้ดอกเดียวนะขึ้นกับพื้นชื่อล็อบเฟลเซียเพราะว่าตั้งชื่อดอกไม้ชนิดนั้นซึ่งมีในป่ามาเลยอย่างเดียวเนะี่ยเพื่อเป็นเกียรติแก่เซอร์ล็อบเฟลข้าหลวงใหญ่ หลุงคนนี้ครับเมื่อได้ยินข่าวเรื่องพิลึกกึอเกี่ยวกับฐานที่ลึกลับแห่งหนึ่งใจกลางชมอ่าใจกลางชวาทวีปนะเขาเป็นฝรั่งอยู่แล้วเขาไม่เชื่อเรื่องแบบ น, นี้แล้วนะะเขาคิดว่าต้องมีอะไรที่น่าน่าสนใจแน่ก็ไปตำรวจครับแล้วก็ได้พาคนงานไปประมาณสองร้อยคนใช้เวลาสองเดือนเต็มครับสางป่าลกชัดซึ่งมีต้นไม้ขึ้นกลุ ก็ไม่มีใครรู้เลยว่าที่ตรงนั้นคือที่ตั้งของบรอบโดที่อยู่ในสิลาจารึกเพราะว่าชื่อมันผิดเพี้ยนไปหมดบางแห่งเรียกว่า ส, สัมพาระสัมพุทธสุเมรุแต่ละศิลาจารึกแต่ละแห่งเรียกชื่อไม่ตรงกันทั้งแห่งดังนั้นเองนะครับเมื่อมีการสางป่าออกต้นไม้ซึงขึ้นคลุมเป็นอกอก ลัฟเิก็ได้เห็นโฉมหน้าครั้งแรกของบโูบูดัวซึ่งทําให้เขาทราบซึ้งกึ่งใจมากก่อนหน้านั้นชาตินักล่าจากตนตกผมใช้คำว่ า, าชาตินักล่านะฮะก็คือยุคสมัยที่การล่าอนาณาณิคมแสวงหามืองขึ้นผู้คนจากตะวันตกซึ่เป็นนักล่าเหล่านั้นมักจะมีความคิดผิดๆที่เสมอว่าผู้อยู่ใต้ปกครองตัวหรือชุมชนเล็กชุมชนน้อยทางออกป่าเถื่อนทั้งนั้นไม่มีปัญญา เขาจะต้องไปสั่งสอนแล้วก็กอบโกยทรัพยากรรรงชาติ500ปีน้อ้งแต่การล่านานิคมเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความยากจนกนทั่วโลกครับผมจะไม่เข้าสู่รายละเอียดนะฮะเพราะว่าพวกนักล่าเหล่านั้นได้ทำลายรลกฐานวิถีชีวิตของชาวตัวหนอกชาวมูรพภิทิซึ่งมีวิถีชีวิตที่อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์คจุนของสภาวะธรมธรมชาติ พวเขามีชีวิตเรื่อยๆสบายๆเหมือนที่พวกเราหลายคนเป็นอยู่สิ่งเหล่านี้วิถีชีวิตนั้นเปลี่ยนแปลงแล้วครับเราไม่มีชีวิตแบบเรื่อยๆสบายๆแล้วเว้นไว้เราปลดกเกียณแล้วหรือเรายังเด็กเกินไปแต่ครั้งนั้นนั้นซีโลกตัวหนอกนั้นนะครับนี่วิถีชีวิตตามธรรมชาติเท่า น, นั้นเองด้วยการอ น, นุเคราะห์จุนเจือของแม่ธรณีในน้ามีปลาในน้ำมีข้าวมีทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นเขาไม่จะเป็นน่องลิงลิฟเร่งรีบทําอะไรหรือ กักตุนสะสมอะไรให้เกินจำเป็นในนี้เราจะพบวิถีชีวิตนั้นในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสิงคโปร์เพราะว่าแม้ระบบการเมืองเศรษฐกิจจะเร่งรัดแต่ชาวบ้านยังเดินเล่นอยู่ข้างถนนยังมีชีวิตเรื่อยๆขับแย้งกับระบบใหญ่ทุกๆประเทศนะครับกำลังอยู่ช่วงนี้ขับแย้งกันอยู่นะครับฝั่งองเราก็เหมือนกันส่วนลึกเราอยากมีชีวิตที่เรื่อยๆสบายสบาย แต่เดี๋ยวนี้เราทำไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเราจำเป็นต้องเร่งรัดองจับตัวเองให้ลงในตาตารางของเวลาเพื่อหาเงินหาระไได้ครั้งกระดีตเมื่อห้าร้ปีที่แล้วนั้นนะครับเมื่อชาวดัตช์อังกฤษและอังกฤษแล ะ, ะโปรตุเกสเข้ามาปกครองผู้ที่ทำตัวเปนเจ้านายเหล่านั้นมองว่าชาวพื้นเมืองโง่พวกผิวดำนี่พระเจ้าสร้าง มันสมองให้พวกผิวขาวเท่านั้นและพวกผิวขาวต้องเป็นเจ้าหน้าแต่แล้วคติความเชื่อนี้ถูกคว่ำบาตรทันทีครับเมื่อบรบอดัวถูกเปิดเผยขึ้นรับน์เปิดผยถึงนี้แล้วทําให้ชาตินักล่ารู้สึกว่าในช่วงต้นเขาปฏิเสธว่าสงสัยจะไม่ใช่ชาวสวาดด้างพยายามบาดเบนิ่นตลอดเวลาคือไม่ยอมรับคําจริงว่าภูมิปัญญาล้าเลิศเนี่ยชาวตอ น, นอกได้เป็นเจ้าของมาก่อนมากนั้น ผมเชื่อคำเอเชียน่าจะมาคำอุตสาแน่ครับคือพระอาทิตย์ขึ้นก่อนแต่แล้วในสุดนี้นักวิชาการยอมรับกันอย่างสิ้นเชิงเลยว่าภายใต้ผิวที่ดำๆำคล้ายๆลิงสีน้ำตาลของคนโดนออกนั้นผมพูดคำขำนะฝรั่งเขาเรียกลิงสีน้ำตาลนี้เพราะว่าก็เรียกแบบดูแคลงภายใต้ผิวที่ดำคล้ำไม่งดงามเหมือนชาวโยุโรปหรือตะวันตกภูมิัญญา น, นั้นล้าเลิศนะ บุรุษปโตได้พิสูจน์ศักดิ์ศรีงคนดอออกอย่างอย่างไม่น่าเชื่อเลยต่อจากนั้นเองครับการเคารพคนดอนอ็อกเริ่มเกิดขึ้นเหมือนในนี้อย่างประเทศออสเตรเลียนีนะซึ่งเขาเป็นฝรั่งก็จริงแต่เนื่องจากบรรพบุรุษของเขาเป็นนักโทษถูกปล่อยกาะนั้นชาวออสเตรเลียหน้าตาเป็นฝรั่งแต่เคารพคนดวนออกมากนะมีความรู้สึกที่ไม่มีระยะทางนักกับคนดอนออกเมื่อหลังจากลัทเฟ่อได้เปิดเผยสิ่งนั้นแล้วก็ ในช่วงนั้นรัฐบาลดัตปกครองชวาอยู่นะครับพูดถึงชวาโดยวงกว้างสักเล็กน้อยก่อนนะครับเกาะชวานั่นเป็นเกาะที่พาดอยู่ตรงเ อ, อ่อเส้นสูงสตรของโลกนะครับพาดตรงใจกลางชวาบวันกล่ยทางประมาณพันกว่ากิโลเมตรดนั้นานที่ก็ดูแปลกประหลาดอยู่นักวิชาการที่ชอบคิดในเรื่องลี้ลับก็ ตั้งแง่ที่คิดว่าทําไมจึงเลือกสร้างที่นี่เพราะว่ามันเป็นเส้นสู่สุดแล้วก็จุดที่สร้างบริบูรณ์นั้นจุดกึ่งกลางของเกาะพอดีนี่เป็นสิ่งน่าคิดเปงนแง่หนึ่แต่ผมเองไม่คิดมากแต่ประเด็นนี้นะฮะแต่ถ้าเราเห็นชัยภูมิแล้วเราจะพบว่าการเลือกสารที่ที่จะสร้างเจดีย์ของโลกกลม้ายคานี้นะฮะเจดีย์ของโลกนี่เป็นการเลือกสรรที่เฟ้นและจ่ายฟองอย่างมาก คือว่ามีการสอบแหวนหาจากผู้รู้ในการที่จะประดิษฐานให้เป็นสัญลักษณ์ของเจดีโลกคำเจดีโลกเราไม่ก็ได้ยินนะครับแต่ในคำภีละลิศวิตรเนี่ยคือพุทธวัตร่ายมหายานจะเรียกพระพุทธองค์ว่าพระผู้เป็นเจดีโลกคือเป็นนิ่งขวัญเป็นที่สุดของโลกนี่นะดังนั้นเมื่อเรามองจากคืบินหรือภาพกานกที่มองลงเราจะพบว่า ลูกทรงสัดส่วนลากกว่า